จะให้ใครเมตตาจะเกิดโดยโดยอัตโนมัติและของที่ท่านให้ใครหรือพอรที่ท่านให้ใครหรือแม้แต่ว่าท่านพูดถึงใครหรือท่านนึกถึงใครเนี่ยมันจะมีผลมีผลทำให้เขานึกถึงออคือกรณีอย่างพวกเราก็เหมือนกันเราอาจจะนึกถึงใครท่านคนหนึ่งในขณะที่เราเราทำสมาธิแผ่เมตตาอยู่เพียงแต่นึกถึงไม่ได้นึกว่าอย่างไรก็อาจจะทาให้คนคนนั้นเนี่ยคิดถึงเรา หรือเราคิดถึงเา้าถตาเราคิดถึงเราหรือทำให้เขาโทรศัพท์มาหาเราก็ได้สิ่งเหล่านี้นะคนแผ่เมตตาจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาและบางท่านเนี่ยที่ท่า น, นมีเมตตามากแต่ว่าเป็นคนชอบความสังัดเวลาแผ่เมตตาแล้วต้องต้องใช้พลังสำทับว่า อย่ามายุ่งกับโยมไอ้อยันมายุ่งอาตามาคือว่าอย่าโทรมาอย่ามาหาเพราะว่าให้อาตามาวุ่นวายไม่สงบบางทีก็ต้องสำทับในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับกับสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เนี่ยไม่อยู่ในป่าสัตว์มันก็จะมานะฮะไอส้สัตว์มาเวลาไม่วุ่นเวลาที่เราเราจะแสดงเมตตาจะเมตตาด้วยการให้อาหารหรือเมตตาจิตอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราต้องต้อง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 แล้วก็พวกยุงอย่างอะไรมันก็รู้สึกามาตาอมาล้อมเต็มถ้าว่างั้นนะทีนี้มันก็ไอ้มันมาล้อมก็ก่อกวนะ่ะมีก็มาส่งเสียงเจียวจาวา่ามาส่งเสียงเจียวก็เลยเมื่อเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นก็ต้องใช้กําลังปิดเนี่ยสำทับแต่เมตตาบอกเขาว่าไม่ใช่จงเกลียดจงชังอะไรหรอกแต่ว่ากาเอย๋ยเจ้าจงรู้ว่าขณะนี้ในะนการกําลังต้องการความสงบนั้นถ้าจะร้องก็ไปร้องที่อื่น อย่ามาลองลบกวนคนที่ท่นานรักเลยก็มันเป็นทลสำเร็จคือกาม้วก็ไปทันทีเลยไปทันทียุงยิงเลยบินหนีไปเลยไอ้ยุงนี้ผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านผู้นี้ทาได้ยุงผมแพ้แล้วมันไม่ใหม่แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ร้ายอะไรใดนี่ยังพอได้งูเกี่ยวๆขอตัดดุๆนะตัดสัญญา่าพอทําได้ยังไม่ไม่แกร่งเหมือนอย่างท่านผู้นั้น อ่าอันนี้ครับในการฝึกแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดขึ้นก่อนคราวที่แล้วท่านคงจะรู้จักเมตตาไปแล้วในเมื่อเราสร้างเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเราเราต้องการจะแผ่เมตตาแต่พอตอนนี้เราแฝ่เพื่อเรียกเมตตาที่เมตตาเมื่อจะเกิดเนี่ยครับคนที่ฝึกแผ่เมตตาและจะรู้ว่าเมตตาจะเกิดอย่าลืมว่าเมตตานี่ยคือความรู้สึกที่หวังดีต่อบุคคลอื่นอย่างจักจิตจับใจ ปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเขาจะขี้ลิงพี่เลวพี่โกนพิการน่าเกลียดหน้าจังแต่งเนื้อกแต่งื้อแต่งตัวตกปลวกตกป ล, กปลอนอยังไงก็ตามจนก็ตามร่ำรวยก็ตามเราจะรู้สึกเมตตานักการเมืองไทยจะไว่าเขาเลวก็ต า, า, ามไงเนี่ยเราก็มองเขาแล้วก็เป็นเขาไม่ใช่เป็นคนเลวไปแล้หมดบางอย่างที่เ้าดีก็ดีกับเราเราก็นึกถึงความดีนึกถึงแม้แต่ความเลวที่เขาทํมาทีมก็มีผลดีแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะได้บุญจากสิ่งที่เขาทานะเราก็มองเห็นแล้วก็ก็ไม่ยเด่นึก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 เขาอยากมีเงินเราปรารถนาจะให้เขามีเงินอยากให้เขามีเงิ น, ม, งนมีทองมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขแม้เขาไม่ได้ธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ก ล, กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กว่าเราทําไมจะให้ความปรารถนานั้นต่อเขาไม่ได้มันเล็กๆมันก็เล็กกว่าธรรมะน้อยกว่าธรรมะทีนี้ผมย่อไม่เป็นว่าถ้าเป็นอ่าเป็นเรื่องความสุขในทัศน์สิ่เนี่ยบางทีมันมีข้อจํากัดอ่าก็จะยกนอย่างให้ฟังอ่าอาจจะกินเวลานิดนึง ก็มีไอ้คนกับรถเมย์สาย49คนหนึ่งคือนาตะกุลผมจำได้แม่นเอาเป็นว่าแค่ชื่อชื่อวันใยประสิทธิ์มันหมดเนื้อหมดตัวลูกเมียไม่เอาแล้วแสดงว่ามันคงเป็นคนไม่ไปจะดีนั่นลูกเมียไม่เอาบ้านอยู่นกรปฐมก็เอมาเป็นพนักงานกับรถสาย49มันก็มาพักอยู่แถวไอ้ตรงตรงแถวบางซ่อนน่ะ อู่ทำไมก่อนนะะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยมาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ย่ายี่ดีแล้วไม่ต้องอาศัยอู่นอนนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยสงสารเพื่อนไมาว่าคนที่ขับรถรุ่นพีก็สงสารเอาข้าวของเอาเงินเอาตอนแล้วก็ไปค้าประกันให้มันเป็นเชื่อของที่สาขาก่อนทีนี้ในาประสิทธิ์เนี่ยมันก็อยู่ก็มันก็บอกว่าเออถ้าวันหนึ่งมันถูกหวยมันจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่ได้สักสามแสนในกระปุกมันวางกันน่ะ ไอเฟื่อวันนี้ก็บอกอ้าวถ้าฉันถูกถ้าได้จะสามแสนเหมือนกันก็คบกันไปพวกกันมาเนี่ยปรากฏว่าในประิษฐ์ผูกหวยทั้งใต้ดินทั้งรัฐบาลมันซื้อใต้ดินผูกหลายแสนบาทพอรู้ว่าถูกในเชื่อมัมือมันหมดแรงเลยตรวจลอาเตรี่ไม่ได้เลยอ่ะก็เอาไอ้รถตเรี่ซึ่งมันซื้อชุดหนึ่งผมก็พงรู้ในเนี้ยมันสิบสองล้าน ถูกทั้งชุด1ิสองล้านสนหลบคาที่เลยครสนหลบอยู่กับไอ้เพื่อนผู้ซื่อสัตว์เจ้าใครจะว่างโง่ก็ลองคิดดูก็แล้วกันมันก็อุตสาห์ผสมพยาบาลจนกระทั่งปว้ยขึ้นมารู้ว่าตัวเองถูกแนๆ่ๆติดสองล้านกับบวกอีกหลายแสนบาทพอถูกเนี่ยโอ้อยายพี่นอ้องรู้มาจากไหนเต็มอู้เดครับอทั้งซือจุลสารของกามมากมาลงกันสนุกเลยตอนนะั้น ทีนี้มันก็ไปเบิกเงินเปิดธนาคารธนาคารไอ้ธนาคารเนะี่ยหก็มากันเพียบเลยอย่ามาให้เปิดเป็นลูกค้าของธนาคารนะพอเปิดเสร็จแล้วก็กลับบ้านไอ้ที่สัญญาไว้กว่าสามแสนสามแสนน้ำเหลือเพื่อนก็อุตส่าห์ตามไปตวงสัญญาจะขอเงินสามแสนเชื่อนะครับมันเอาปืนมาไล่ยิงปืนมายืนจังก้านาบ้านใจจริงไอ้ไอ้ไเพื่อนที่เคยมีอุปการะ แต่ว่ามันก็ยังใจดีมันให้มาห้าพันแต่ไม่ใช่ดีที่ให้ก็ให้ยืมนะให้ยืมแล้วมันก็มาที่หู่อีกครั้งเดียวเพื่อมาทวงเงินห้าพันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาเลยเอ <c oughs> อย่างเนี้ย <c oughs> ก็ <c oughs> เขาก็บอกว่าแม่ให้เพืนคั้นมันโง่ความจริงตอนสลุเนี่ยจับมัดนะจะไปเบิดเง้นให้หมดแล้วค่อยปล่อยมันมันจะไปเอาคืนได้ยังไงอ่ามันโง่ก็ดีจนโง่อมดเออ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 ถ้ามาทำให้ผลประโยชน์เราเสียหายเนี่ยเราอาจจะรักเขาไม่ลงในความอิจฉาทิสยาอะไรต่างๆมันเกิดซึ่งจะผิดกับความรักที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จในทับหรือความสุขในทับนะฮะไอ้ไอความสาเร็จในทางทรับยีสิเนี่ยอาจจะใช้เป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เมตตาที่เกี่ยวข้องกระทำได้ดังนั้นคนที่จะสร้างเมตตาเนี่ยเราเองจะต้อง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 เป็นสามคนแล้วก็บางทีเราก็ถือว่าเป็นแก่นของมนุษย์สัมพันธ์คือตัวนี้นั่นนี่คือพลังพิเศษที่นี้้พลังในลักษณะเนี่ยเป็นพลังพลังงานกลหรือพลังงานอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นพลังลูกของการทำภาวนาคนที่ฝึกสมาธินี่ยจะมีพลังพลังที่เป็นพลังโลกอะครับมันก็ทําให้เกิดอะไรอะไรขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราสร้างเมตตาเนี่ยเราก็เอาเอาพลังไปใช้ พลังปใจัยนี้ก็ทำให้เกิดไอ้พลังในลักษณะเหมือนพลังทางฝังนะครับเราอาจจะพูดเหมือนพลังทางขังแต่นี้ไม่ใช่เรื่องของวิยาศาตรเป็นวิธีทางใช้กุศลเป็นเครื่องช่วยก็มีคนเคยเคยทักท้วงคราวที่แล้วก็มีคนหนึ่งตอนขากลับท่านก็ไม่ได้เข้ามาฟังตั้งตน้นท่านทักท้วงจากคาของของท่านผู้อื่น อเมื่อวันจันที่แล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปพูดที่ที่หนึ่งก็มีคนหนึ่งครทา่านกรรมานคือผมไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ท่านบอกว่าท่านได้เคยฟังเทพคําบรรยายบางรายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็จังวนใจเพราะว่าท่านจะต้องไปสอนไปเิดแพร่ว่านี่เป็นการสร้างความลูกหรือเปล่าตรงนี้นะผมก็บอกว่า คือในในวงการเราที่เกี่ยวบเรื่องสมาธิบางพระบางองค์หรือบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเราเนี่ยทําสมาธิทำวิปัสนาจะมุ่งจะไปนิพพานนะ่ะอาตมาไม่สอนลงไปกันไม่ได้เราก็พูดกันไปอย่างงั้นแหละตัวเองหรือครอบครัวจะแตกอยู่แล้วอา่าการําการค่าอะไรตอะไรปัญหาเต็มตัวนี่จะพูดถึงนิพพานนะี่ยมันมันเรื่องไฟสูงเกิดสัก่กลายเป็นอย่างนั้นอ่ะ ตอนนี้บางท่านก็บอกโอ้โอนี่เอาทามาฝึกธรรมะเรื่องเอามาใช้นี้มันโลภดิเห็นแค่ตัวเนี่ยกลายเปย็นไงที่จริงตรงนี้เนี่ยไอ้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสำหรับคนทั่วๆไปมันต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องดูตัวเองว่าเราเนี่ยมีความต้องการแท้ๆในระดับภูมิปัญญาระดับสภาพชีวิตเราเนี่ยอย่างไรอย่างเช่นเวลาเราเป็นโลคในเรื่องใหญ่ไหมใหญ่ เวลาที่เรามามีปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินการทองนี่เรื่องใหญ่ไหมมีปัญหาทางความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องใหญ่ไหมแล้วคนที่เรามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้หรอครับลองคิดดูสิกลับเข้าบ้านทะเลาะ ก, กับคนในบ้านทุกตีแล้จะไปนิพพานได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆหรือแม้แต่คนเป็นโรคภัยแค่เจ็บสุขภาพเอาไว้ว่าสุขภาพกายสุขภาพจิต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 ปัญหาก็ตกบุญก็ได้ดูไม่ดูบุญก็ได้ไดไดปัญหาก็ตกเ อ, อถ้าเราใช้วิธีทางบาปสมมุติว่าเราเป็นโลกใดโลกหนึ่งแล้วก็คนเขาบอกว่า อ, ออย่างเนี้ยต้องไปเอาต้องไปกินดีงูดีแลบเราจะทํำไหมละ่ะ อ, อเราก็มีสิติที่จะทําถ้าถ้ า, ถาบางคนค ท, งที่จะทํามีกาลังที่ยะมได้ แต่ว่ามันไม่ถูกทำนะนะทําแล้วก็ดื่นเดืดอดร้อนมันไม่ถูกต้องถูกทำหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราโกงเราเบี้ยวเพื่อให้ตัวรอดมันก็ไม่ถูกทำแต่ถ้าใช้วิธีทางบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับไม่ว่าเราหรือไม่ว่าใครอันเราก็ใช้บุญมาช่วยทีนี้ถ้าคนที่เขาต้องการจะไปมรรคผลนิพพานแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมอยู่แล้วก็ก็ไปในระดับนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ย ในหลักของพระพุทธเจ้าและในความเป็นจริงของแม้แต่ผู้ที่จะไปสู่นิพพานมันก็จะมีหนึ่งไอ้ความมุ่งหมายจิตใจของตัวควาโมโน้มเอียงอินทรีย์ของตัวนี้จะไปสู่มรรคผลนิพพานตุกโรมัยใจอยากจะไปทุกโรมยัยาจด้วยความจริงใจนี่เป็นเป็นวัตถุประสงค์แต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีปัญหาท่านพื้นฐานที่เป็นสิ่งคอยกีดขวางผมยกตัวอย่างเช่นว่าพระ จำนวนมากจะไปสู่มรรคผลนิพพานและไปปฏิบัติธรรมในป่าโดนงูกัดตายเนี่ยจะให้ทำไงงูไม่ให้ไปอ่ะก็พระพุทธเจ้าก็ต้องสอนให้แ่เมตตาให้งูนะฮะในในพระไตรปิฎกมีเอาไว้ช่วงหลังๆในผมจะรวบรวมภาคทิสฎีแบบจากหลักฐาน ม, มาให้ฟังเป็นเป็นชุดต่างหากไปนะฮะหรือว่าบางท่าน เ, าเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า อ่ะนี่ก็ในพระธรรบพกอีกว่าพวกมนุษย์เข้ามาเบียดเบียนก็ไม่เป็นอันทมกรร ม, รมาฐานอย่างนี้ก็ต้องแกป้ปัญหาหรือบางพวกในไปปฏิบัติแล้วปรากฏว่าที่โคจรบินธบาอาหารฝืดเกิดก็มีและปัญหาอื่นอีกหลายอย่างบางทีก็โดนโจนโดนใครตะใครที่เขาไม่เห็นด้วยเขามากัดกวางเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็สอในให้ใช้เมตตาแล้วก็ยืนยันว่าเมตตาเนี่ย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 ดีกว่าใครคุ้มด้วยซ้ำไปแต่ไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธการกุ้มกรองในด้านอื่นเพราะว่าไอเราเนี่ยถ้าพลังทำเราน้อยเราก็ต้องอ่าใช้ด้านอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วยพลังทำเราเยอะก็อาจจะเออ่ซึ่งพาด้านอื่นน้อยลงนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเห็นจะว่าที่สุดแหลสำหรับผู้ที่มีพลังอย่างสูงสุดแล้ว นะเป็นอันว่าตรงนี้ขอให้นึกว่าเราทําบุญแค่เป็นบุญเฉยเฉยก็มีผลอ่อชีวิตเราความสุขอารมณ์ความสบายใจหน้าตาบุคลิกล่าก็จะออกโดยปริยายอยู่ไม่รู้ตัวแหละและอีกอันหนึ่งก็คือพลังโดยปริยายของเมตตาเมตตาเ อ, อที่บุคคลแผรเนี่ยจะมีพลังโดยปริยายหมายถึงเป็นพลังแบบกำปั้นรุ่ดินนะ ใสแต่เมตตาก็ต้องได้พลังอซึ่งใ น, ในวันนี้เร า, เร า, เ, ราเราจะแผ่แล้วก็จ ะ, จะอะพูดถึงอันนี้แค่แค่ตรงนี้นะครับจะฝุดเพื่อให้ได้พลังโดยปริยายแต่ว่าในข้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงการเอาพลังของเมตตาไปใช้เจาะเฉพาะคือเวลาคนทำบุญเนี่ยผมถึงเคยบอกว่า เ, เวลาเราอธิษฐานเนี่ยนะทำบุญอธิษฐานทาบุญไม่อธดฐาน คล้ายๆกันเลยถ้าคนทําบุญไม่เท่ยกันด้วยทแบบทําไปแล้วก็จะได้พลังโดยปริยายของมันนะฮะเราก็ไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ทำไปนทําทําไปก็มีบุญก็ให้ผลตามจะตาของมันตามอวิธีทางของบุญแต่ถ้าหากว่าเราทําบุญเนี่ยเหมือนเราใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยอผมจะจะบอกให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติวันนี้นะเราทําเราต้องรู้ว่าเราจะทําให้ใคร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 เราก็ทําให้บันบุรุถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยจะทำให้ใครทําให้บรรพบุรุษบันเกิดเราเองนะต้องทําให้บรรพบุรุษและี่ผู้มีบุญคุณต่อความมีความเป็นของชีวิตเราเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าทําบุญแล้วมันมีความประชุมกระช่วยมีวัตถุประสงค์หลากหลายไม่ไม่ทําใส่ทุกวันก็มีบุคคล บางทีอาจจะวอกเวียนบางอะไรบางอย่นะมันก็จะเกิดทีนี้เวลาเราทําเจาะเนี่ยก็จะเกิดพลังขึ้นมาโดยเฉพาะพลังในด้านต่างๆบางอย่างก็อาจจะเป็นว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยอย่างน้อยเรื่องเราได้ตอบแทนบุญคุณบั่นเป่ากระดเป็นสิ่มงคลของเราบางทีก็เอทําแล้วก็มีพลังต่อว่าออย่างสมมติว่าผมที่เล่าก่อนไปอินเดียเนี่ยผมไปอินเดียสองเดือนกว่าบ้านผมไม่ไม่มีคนดูเที่ยวหลังก็ไม่ได้กลับเดือนกว่า แล้วผมก็ <S <S ก็แฝ่จิตแฝงอะไรมาทำโดยเจา้ากรรมในวิอ์เจ้าที่อย่าตตางผมนะแล้วก็ให้ทุกคนนั้นก็ทำเป็นประจำก็ยังไม่ทำให้ต้องเลิกทำเป็นัตรนี้เพราะว่ายังปลอดภัยกลับมาแล้วทุกอย่างเนี่สนิทนิ่งบ้านกัาบ็ปลงหน่อยนั่นแหละแต่ของไม่หายเลยจนแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันคุ้มครองได้มันเป็นผลได้แล้วผมก็นึกว่าถ้าผมจะขายที่ขายทาง เนี่ยนคะงก็จะใช้วิธีการเข้ากรรมฐ า, านทำบุญทำสังฆทานอะไรนี่หมดบลามาแล้วเลี้ยงแล้วก็ให้บุญแกเจ้าที่จะทางในเราแวกนั้นทั้งหมดแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อผมใครเป็นลูกค้าจะมาซื้อผมแจะจะด้วยอะไรก็ตามนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะขายด้ว ย, ด, วยด้วยน้ําใจกันนะฮะมาซื้อด้วยน้าใจถึงคือเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขามีเมตตาเรียกว่าแผ่เมตตาหายาด แต่เมตตาหาผู้มีอุปการะแล้วมันต้องเจอค่ะทุกเรื่องจะต้องเจอแม้แต่ว่าการทํางานทางศาสนาอะไรอย่าง น, นัแล้วก็จะแปงว่าเออใครที่แย่มาแล้วเมื่อเจอมันก็พูดแล้วก็เหมือนโกหกอะบงคนก็อย่างที่เ่าผมเออผมเจอเจ้าของปราณิพันใอ้นี่ก็เหมือนกันเออเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวผมไม่เคยเล่าเขาฟังนะแต่เขาพูดเองว่าเขาเจอหน้าผมเนี่ยเหมือนคนเคยเห็นหน้ากันมาเวลาเข้าไปเขาจะต้องพกไ อ, ไอ้น้ําส้มคันเป็นกระติก เขาบอกมาเขารู้สึกเขาทนไม่ได้เขาต้องลิม น, น้ําส้มจากกระติกเนี่ยมาให้ผมดื่มบนเวทีที่องค์การพุธธทธศาสนพันธ์แห่งโลกนะแล้วก็เหมือนเจอญาติเราก็รู้สึกว่าเรารักใครก็เหมือนเจอญาติลักษณะคล้ายๆกันมาด้วยเป็นเป็นพ่อแม่พี่น้องก็นมาไงเราก็ไม่ต่างแล้วก็ว ก, ก็ทํางานก็มีความสุขจนทุกวันนี้เจ้าอะไรก็ก็ให้หมดพยายามที่ยกทุกอย่างทุกอยา่างแล้วก็ไม่อยากจะจะไป ไปรับอะไรมาเป็นเงื่อนไขามากนะแต่อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกเหมือนเป็นญาติกันจริงๆแล้วก็อีกหลายๆคนที่ที่บางคนก็อาจจะไม่เคยดีนักแต่ว่าบางทีไอ้สายสัมพันธ์กันมันระหว่างเราเนี่ยมันดีมันก็เหมือนเป็นญาติที่บางทีพฤติกรรมอาจจะด้อยหน่อยบางคนก็พฤติกรรมสูงกว่าเราหน่อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ อ, อันนี้จะจะสอนแล้วลองทําดูนะครับ หาแฟนหาอะไรก็ลองทําได้แต่แต่อย่าหาให้เกินไปนะอย่าหามากไปเพาญาติเยอะแล้วเกินเนะี่ยกลายเป็นเป็นอะไรญาติเยอะไปแต่ญาติเยอะยังก็ยิงชั่วแฟนเยอะลําบากลาบากที่หลังอคนที่มีเมตตาเนี่ยสังคมจะดีนี่ว่าอย่างรวมๆลักษณะทางสังคมจะดี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 แผ่สิบอิฐแล้วก็แผ่ไปโดยรอบอก็เป็นเป็นเก้านับเป็นเก้าก็ได้ไอโดยรอบเนะี่ยก็ถือเป็นการแผ่รวมทิศแล้วก็แผ่โดยระยะโดยระยะหมายความว่าอโดยลําดับใกล้ไกๆเริ่มต้นจากตัวเราเนี่เป็นอย่างที่สองนะฮะเริ่มต้นจากตัวเราเราไปจุดสิงนสาง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 แล้วก็แผ่ไปให้ทั่วทั้งตะวัน <c oughs> แล้วก็แผ่ไปให้ทั่วทั้งตะวั <c oughs> ก็การแผ่แบนี้ต้องมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ <c oughs> แล้วก็แผ่ไปทั่วทั้งโลก <c oughs> คือเวลาที่เราจะเอาพลังมาใช้เนี่ย <c oughs> มันต้องแผ่ให้ทั่วทั้งโลก ทา้าเกี่ยวกับคนนะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับผู้ไม่ใช่มนุษย์ต้องแผ่ไปทั่วทั้ ง, งจั ก, กรวาลโดยไม่จำกัดเลยในวิธีที่จะอะดึงพลังกลับเนี่ยก็จะมีวิธีอ่าเราเราจะดึงกลับมาไงเรียกว ถ, ถ้าเราส้าไม่ตาล้วก็แผ่นี้ละก่อนแต่ถ้าเราจะใช้พลังอย่างชนิดที่ว่าเราไม่เลือกคนไว้ มุตว่าเราต้องการเงินกู้สักแสนนะล้านหนึ่งเฮ้เราจะเป็นนึกจะขอคุณนั้ก น, นก็น่าไม่ดีนะจะเป็นการแหมรบกวนเขาลูกหลาเขยังไรเราไม่รู้ถ้าเราไม่แน่ใจงนะถ้าพอแน่ใจกำลังเจรจ า, าต่อรองกันอยู่ก็ค่อยๆใช้เมตตากระตุต้นเข้าไปนะแล้วก็แตลให้กับอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยให้ให้มันไม่ใช่เป็นการเอาเปเรียบเขาผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ทําให้คนที่เรา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 แล้วก็แผ่เมตตาให้ได้เงินแผนแล้วมันมันได้มาแต่เราก็ไม่กล้าไปบอกเขาอะนะกลัวเขากลัวเมตตาก็ได้แต่คุยกับคนแล้วเออมันก็แปลกเรีแต่ว่ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลั้องทนกันแต่ตรงตอนนี้นะให้ให้สำเนตแค่ว่าอาการแผลแผลไปอย่างนี้ก่อนเวลาจะใช้เนี่ยเราก็ตั้งบุปภาเจตนาขึ้นอะไยในภา้นปฏิบัติตั้งแล้วจะแผล เพื่ออะไรแล้วก็แผ่จิตออกไปด้วยความรู้สึกแสงเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงอ่าอันนั้นก็เป็นการแผ่โดยลําดับพื้นที่ทีนี้อันนี้เราแผ่โดยลําดับภูมิโดยลําดับภูมิในะหมายถึงตามลําดับภูมิของสัตว์สามสิบเอ็ด 31, พบสามสิบเอ็ดภูมิอ่าภูมิสามเอ็ด คนที่ฟังธรรมะบ่อยๆประจำได้ว่ามีอภัยภูมิสีอภัยภูมิสีก็นรกเปรตอสุรกายเดลัจฉามมนุษย์เทวดาหกชั้นก็คง ถ, ถ้าจำชื่อไม่ได้ก็จะ เ, า, เ, า, เาแผ่เป็นรวมๆกันไปก็ได้ถ้าหากว่าไล่ลำดับได้ว่าเทวดาหกชั้นชั้นที่หนึ่ง ชันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ลมอีกรูปแบลมอีกสิบหกชั้นสิบหกชั้นก็ทานในรายละเอียดไม่ได้ก็แผและแต่ท่านมีหลักว่าการแผลเมตฟาไปโดยประการใดๆถ้าเรามีความชัดเจนนะฮะอันนี้ผมให้ใ ห, ให้ให้หลักไปไปเลยนะครับว่าการแผลที่จะมีพลังเนี่ยต้องมีภาพที่ชัดเจนมีมโนภาพที่ชัดเจน สำหรับเรื่องที่เราควรจะต้องทําให้ชัดเจนนะถ้าแพร่รวมๆก็บางอย่างเราไม่ต้องการไประบุว่าใครเนี่ยเราก็แพร่แบบให้มันชัดเจนในส่วนที่มันควรชัดเจนเราแพร่ไปทั้งโลกเนี่ยเห็นก็จ ะ, ะชัดเจนและนะ้วฮะแต่ว่าไม่ชัดเจนว่าต้องคนนั้นต้องคนนี้เอ่อถ้าโมเราแพร่โดยภูมิเนี่ยแต่โมเราชัดเจนเช่นเรารู้ว่าเดรัชฉานเนี่ยมันมีทั้งมีหลายกําเนิดแล้วก็มีทั้งเดรัชชันกายหยาบมีเดรัชชันกายละเอียดอย่างนี้ก็เป็นความชัดเจน หรือแผ่ไปถึงมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีหลายาำเนิดหมายถึงอะไรมนุษย์ในโลกนี้ก็มีมนุษย์ในโลกอื่นก็มีในทวีปอื่นมนุษย์ในมิติอื่นก็มีในโลกลรับแรงเราก็ก็ี่ยแผ่สกิทไปให้หมดให้ทงให้หมดเทวดาชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราติกา ผมผมจะไม่มาจรไนอันนี้เลยแต่ยกตัวอย่างพ้อยนึงได้ท่านต้องไปศึกษาหาความรู้หรืออ่านหนังสือมาหาวิทยาลัยนะฮะค่อยๆแฝกค่อยๆรับรู้ไปก็จะชัดเองที่ชัดเจนเองที่หลังอมัน อ, อย่างเทวดาท่านที่หนึ่งเนี่ยเราก็แฝกไปถึงหัวหน้าเทวดาท่านที่เป็นเทวราชาเป็นผู้นำของเทวดาแล้วก็เทวดาระดับโลหะระดับผู้หลักผู้ใหญ่ือแล้วก็เทวดาทุกๆองค์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 เราอาจจะแผ่ข้างบนลงมาข้างล่างข้างล่างลงห้างบนหรือแบบตรงกลางขึ้นจากเรามนุษย์ขึ้นแบงบนจากนุ่นลง้างล่างแต่ย้อนไปย้อนมาพลิกแปลงไปไ ป, ไปมาได้ยิ่งดีเมตตาเราไดเ้เกิดชัดเจนทุวนที่ยิ่งขึ้นต่อไปแผ่โดยลําดับญาติโดยลําดับญาติโดยลําดับญาตินำหมายถึงโดยลําดับ ของคนที่เป็นหมู่ญาติโดยหือเอาญาติสาโลหิตเป็นเกณไอการแผ่โดยลำดับญาติอาจจะตั้งเกณฑ์ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าในแบบอย่างลาดัก็คือแบบที่มักจะใช้กันเวลาพระท่านบอกเราเนี่ยนะมุงทีก็แผ่ให้กระพุทธประทําประตรงอะไเงี้ยนะาะแผ่ได้นะแผ่เมตตาเนี่ต้องจำไว้ว่าแผ่ได้กับคนทุกระดับ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 จถ้าเมตตานั้นมีปัญญาเข้ามาประกอบเมตตาของคนมีภูมิปัญญาเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาอยากให้คนรับไม่อยากรับใช่ไหมใช่สมมติว่าเขาแผ่เมตตาเราได้บรรลุธรรมเนี่ย เ, <c oughs> เราก็ไม่ก็อยากได้แต่บางครั้งเนี่ยครับเราควรแผ่เนี่ย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 แต่คนเป็นเนี่ยเอาเอาเงินล้านมากองยาแก้โรคเห็ุมาวางเขาต้องเอายาแก้โรคเหตดแม่เป็นเราก็เจอถ้าเราเป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกของใครความต้องการของใครเนี่ยคนที่มีเมตตาจะเข้าใจได้จะเข้าใจได้ว่าทําไมก็าถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาถึงต้องการานี้อย่าไปว่าเขาเสียเสียเทเสียนะอคนมีเมตตาจะเข้าใจกนได้ดีแล้วก็อยากจะให้เขาได้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 บอกสมมติว่าบ้านหนึ่งพอไปทางแม่ไปทางพี่น้องไปทางแล้วก็บังเอิญมีลูกอยู่คนนมาวัดมาสนใจธรรมะสนใจทำบุญสนใจปฏิบัติธรรมเวลาให้เขาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยให้แก้เรียกแก้แก้ภายในคือหมายถึงบริหารรับหลังบริหารเงียบๆถ้ามันได้ผลครับอ่า อย่างที่ผมเคยเล่าว่าอย่างอย่างเข้ากลัวผมหายไปสองเดือนครึ่งเลยอย่างที่ไปเดียเนี่ยเขาบอกเลยเลาวกลับมามันอย่าเรากลบกับจากที่ทำงานนะรู้สึกถึงเต้นอะไรเป็นพิเศษแล้วเขาบอกเลยว่าไม่มีใครลําพึงลําพันถึงไม่ใช่เขาเกลียดนะ mm hmm. แต่ทัางแม้ว่าเขาอยู่เย็นเนี่ยก็เขาเพิงบอกเขาอยู่มันเย็นสบายปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเราแผลมันตลอดแผลในลักษณะที่ให้การคุ้มครองอารมณ์เขาด้วย อย่าให้เขาทุร น, นทุรายอย่าให้เขาเดือดร้อนใจเขามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะับเป็นได้ทีนี้ถ้าตรงนี้เนี่ยมุดว่าใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยแผ่ไปใ ห, ให้ทุกคนเย็นนะให้ยังน้อยก็ให้หยุดก็ได้หรือยางน้อยได้เราม้เรามื่อลงหน่อยพ่อกับแม่ที่ทะเลาะ ก, กันนี้ให้เรามา ก, ก็มือลงหน่อยแล้วก็แผ่ใ ห, ให้ให้ท่านเนี่ยได้ธรรมะได้สํานึกเคธรรมะ แต่พินนิเสียนหน่อยแต่จะมีอยู่บางคนว่าคนไหนที่ดึงมาได้ก่อนให้ดึนคนนั้นมาก่อนให้มาเป็นมาร่วมพลังจับมือช่วยกันกลับไปแก้ปกัญหาครอบครัวก็ปรากฏว่าได้อะพี่มามาตนใจธรรมะมาปฏิบัติธรรมะม า, มาสุดอะไรต่ อ, อะไรทางนี้นะแล้วก็กลับฝ่ปรากฏว่าต่อมาก็ได้มารดามาแล้วก็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 ผมบอกเลยว่าถ้าสมมว่าออกกันมาหมดเลยทุกคนมากันหมดแล้วมาเข้าใจวัตถุประสงค์เรนี้มันคุยกันได้แล้วเนี่ยนะสําหรับคนที่มาแหละก็ไปลุมเล่นงานลุมเล่นงานแม่ลุมเล่นงานเพราะเดี๋ยวก็ลงทา้งยืนไม่ไใช่ลกุล้มไม่เสียลุมเพื่อให้เย็นแล้วก็ครอบครัวก็จะอยู่ได้มีความสุขอ่าการดูแลลูกเต้าอะไรก็เหมือนกันให้ใช้คือมันอยู่ที่คนเริ่มตน้นคนเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมาก ดึงใครมาได้ไมาต้องว่าเราเป็นคนนอกครบัวเราดูเออในนี้มีใครมีแววแล้วจะทําอะไรได้ก่อนแค่ว่าเออให้เขาได้สันมาทิฏฐินิให้สบายใจก่อนให้ให้ได้มาสรู้จักทำบุญทานให้เล็กๆน่อยก่อนเงี้ยนะฮะอย่างนี้กระเบียวมันมีเชื่อมีจุดเริ่มต้นที่จะลามต่อไปได้อันนี้สําคัญแล้วก็เออไม่ใช่แต่การทํางานเนี่ย มีผมเอกือบจะเอ่ยสถานที่ได้นะ่ะ mm. เขาก็บอกว่าต อ, อนนั้นเขามีความทุกข์มากเลยนะกลุณคุณทุพสติเขาโดนกั่นแกล้งอยู่ที่สถาบันกรมศาสนที่หนึ่งโดนกั่นแกล้งแล้วคนนี้ก็ก็มีชาติสกุลหลวงแล้วมาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวนาวิกันแกล้งท่านหน้ากริบมากเขาก็เป็นทุกข์ ก็มาบ่นว่าไอ้ว่าัดทำความดีแล้วมันเป็นอย่างไง้ราก็อกเอออย่างนี้เราจะไปสู้เราปลมมอบเมย์ได้แผ่เมตตาแล้วหลายเดือนต่อมาเขามาบอกว่ากรรมตามทันเก่าแล้วคนนั้นน่ะโดนปลดออกจากทุกตำแหน่งนะฮะก็เขาว่าคนนี้เป็นเป็นหม่อมหลวงเขาวางกันนะะเขาบอกชื่อไว้เปลดและทุกตำแหน่งแล้วก็อีกลายอีกลายในนี้เขา มันเป็นนิสัยเขาเองเขาไม่ได้เขาไม่ได้มามาได้จากการกขาวัดนะเป็นนิสัยเขาก็มีเมตตาสูงปรากฏว่าคนที่มาแกล้งนี่ตายหมดแต่จริงๆเขาเข้ามาถามว่าทำไมถึงตายคือบอกวันนี้พระพุทธเจา้าบอกผู้ประทุสร้ายผู้มาประทุศร้ายตอบและผู้ปทุศร้ายตอบมีสองแบบแบบหนึ่งคือไม่ได้ทําอะไรตอบยังไม่รู้ไม่เที่ยไม่เทีไม่รู้ตัวนี่นะ ว่าใครก็แก้งก็ไม่รู้ก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จะไปเกลียดใครอันนี้ก็เรื่อไม่ประสุไาลายตอบอย่างธรรมดาอย่างไม่มีคุณธรรมอะไรหรอกแต่อีกว่าเพศที่ที่จะมีพลังก็คือว่าคนที่ไม่ประสุสไลายตอบคือมีเมตตาความคิดตรงกันข้ามตอบแต่เมตตาให้อะไรฮะอย่างไกลเนี่ยครับโอ้ที่แรกแล้วก็กดนิดหน่อยแล้วก็ไอ้ น, นี่สายเก่ามก็เข้ามาคือแฝงเลยนะเลยตายไปสามสี่คนแล้วมีมีอีกคน ที่มาแย่งตาแหน่งเ็าเนี่ยนี่ก็โดนสำรองราชการไปเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เลยเชื่อหน่อยทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมต้องบอกว่าไอ้เวลาจะไปแผ่คนที่มีเมตตาแรงนีไแฝงต้องแผ่คุ้มครองเข้าไปด้วยนะแผ่ทิ่งแผ่กว้างเนี่ยวก็ร้อนละทนไม่ได้ ไปแผ่เงี้ยแล้วฉันเลยกแผ่เมตตาแล้วทำให้คนเดือดทีด่มาไว้รอดก็เลยไปแผ่เมตตาก็อย่างนี้คนดดเดือดก็เดือดร้อนก็เลยต้องแผ่ต้องแผ่ในลักษณะที่ว่าให้ให้การคุ้มครองกันด้วยเขาจะได้ไม่เดือดร้อนที <S <S นี้ผมจะลองว่าถึงว่าการแผ่โดยลําดับญาตินี่นะฮะแผ่ให้พ่อแม่เนี่ยนี่ต้องมาก่อน และเราก็มาแค่พ่วงรบผาให้พ่อแม่ทั้งในชาตินี้และชาติก่อนคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ตรัสเรื่องราวในในพระไตรปิดกเองมีบางทีพ่อแม่ใช่ก่อนตายไปแล้วในวันเกิดเ ป, เป็นเป็นเปรตก็มีอย่างแม่พระดานีบุญห้าชาติแล้วมาขอเดินบุญนนะฮะในพระไตรปิฎกเล่ยเล่ยที่ผมแล้วก็ผมไปวัดหนึ่งเป็นพระท่านนั่งทางไหนได้เป็นพระมอญอยู่แถวพรประแดงวัดวัดอาสา ก็ไปกลุ่ยกับท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยมีไอ้เด็กอยู่คนอยู่แถวแถวย่านนั้นแล้วก็มีมีแม่แม่มาจากเมือหงหงสาวดีมาตามหาลูกไอ้จริงไม่จริงเราก็ไม่ได้เห็นนะนะแต่ว่าปลาตังคกรเล่ า, ก, ลากับผมเนี่ยมาตามหาลูกมาเห็นเขาร้องโฮมร้องไห้ด้วยความหยาย่วงใยเป็นเป็ น, ปนไม่ใช่เป็นมนุษย์นะแล้วก็มามาเข้ า, าลูกไอยลูกก็พูดภาษา ม, มอญปล้อเลยเป็นภาษา ม, มอญรุ่นเก่า แล้วก็เล่าอะไรตะไรให้ฟังเป็ น, เ ป, นเป็นตุเป็นตานะฮะก็จริงไม่จริงก็ไม่ไม่ได้เห็นมางกรตาแต่ว่าพระเล่าให้ฟังเนี่ยแต่เรื่องทํานองอย่างนี้มันมันก็มีเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรอะไรในที่ต่างๆด้วยนะฮะแม้แต่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองเคยเกิด เ, เคยเจออะไรกันมาในในสังสารวัตเนี่ยในฐานะต่างๆเราไปในที่ต่างๆก็ก็จะมีอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เคยเป็นพ่อแม่พี่นะ้องมันมีเยื่อใหญ่หรือมีพลังอะไรบางอย่างถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันเกื้อกูลกันได้ จะเกื้อกูลกันได้เลยว่าอันนี้คนอะไรต่อะไรกันเนี่ยนะมันมีไอ้ไอ้ทางลบก็ทําให้มันก็ออยังชั่วไปหรือทําให้กลายเป็นดีไอ้ที่เป็นทางดีก็เกื่อกูลกันพอบางคนเนี่ยเขาไม่หนี้บุญคุณกันเนี่ก็ต้องใช้ใหนี้กันนะเราเราก็ไม่ถึงก็ไปจนะูงแต่ขอความกรุณานะใครที่เคยเกื่อกูลกันไว้กนะช่วยสนับสนุนกันหน่อยโดยเฉพาะพวกที่เป็นอมรุษย์ยังข้างมีพลังนะ บางทีอย่างนี้ครับสมุตว่าเรากำลังติดต่อทั้งธุรกิจกับคนแต่นคนนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่แย้ล่าเพียบอะไรแต่ทุกอย่างให้มันลงตัวนะในลันกษณนะได้ประโยชน์นะคกับใ น, นถ้าเราถ้าเราเป็นทางนี้ยเราไปบริษัทเขาหรือไปงาไปบ้านเขาเนี่ยนะเราก็แผ่เมตตาแผ่บุญทำบุญให้กับญาติสาโลหิตเขาด้วยนะ ให้ช่วยเราอีกแรงหนะ่อเพราะฉะนั้นในคนที่ไปทวงหนี้บางทีตัวเองไปทวงเขาไม่รู้เลแต่ว่าพอไปทําบุญให้กับพวกอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยนะเออไปทวงให้ได้หมอ น, นันรีมาใช้หนีให้เลยเนี่ ย, ยคือเรื่องนี้จริงไม่จริงนะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับมันเกิดผลสาเร็จขึ้นนะฮนะมันสําคัญตรงนี้แล้วคนะ่อบก็แก้งเชื่อไปก็ขอให้มันได้ความสําเร็จแก้ปัญหาชีวิตได้ก่อน ก็ยังนำว่าไม่เสียลายเพราะเราอาจจะใช้วิธีนึ่งแลม้มจนแต้มแล้วนี่ก็ต้องมาเพึ่งยาวีบอัดำนองนั้นทีนี้พอแผลให้พ่อแม่ก็ไปถึงปู่ย่าตายายนะฮะที่เป็นบรรพบุรุษเสิร์ฟไปปู่ย่ยาคือพ่อแม่ของพ่อของแม่เสืรไปทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเป็นคนมีครอบกรัวแล้ว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 คือแพรไปถึงพ่อแม่ปินอาว่วาพี่และน้องของของพ่อของแม่เนี่ยนี่ั้งแพรไปถึงครอบครัวก็ได้คือการแผรไม่ตางเราจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ่แต่แต่ละแบบเนี่ยเราไม่ได้แพร ล, กลกูกๆแต่ละแบบที่ผมว่าเนี่ยเราอาจจะแพรเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ขายายเวลาได้แล้วเราต้องการละเอียดมากละเอียดน้อยได้ถ้าละเอียดมากเนี่ยเราจะแพรขยายรายละเอียดเช่นแพรไปถึงพี่สาวของแม่ อย่างอย่างพี่สาวแม่ผมเนี่ยผมรักมากเพราะว่าท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พูดเข้าหู ว, ว่าโตขึต้นจะบวชโตขึ้นจะบวชผมไปบวชจนบัดนี้ <c oughs> ขัดกันอยู่เรื่องเดียวครับผมบอกว่าห้ามเลี้ยงเหล้านั่นก็แบบบ้านนอกเมื่ไรก่อนนะบอกอย่าเลี้ยงไอ้สิ่งเสพติดก็คือเขาตาเนียมเขาก็าต่อว่าเองแกก็คิดแบบ น, น, นอกกันะก็เลยขัดค อ, อกับกับป้าจนบัตรนี้จริงจริงจะเอาจริงจริงก็ได้เหมือนกันเลยเลยตามเลยไม่ได้บวชเลยอาจจะตายซะก่อนก็ไม่รู้ อันนี้ก็ได้สามีก็ดีนะฮะโลกก็ดีแล้วก็เป็นคนมีมีพฤติกรรมมีจริยธรรมดีมากในในในสังคมนะั้นะนะนะฮ ะ, ะยันนำ ม, ม้ากินมีฐานะอะไรอะไรดีเราก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ศรัทธาในเวลาที่แผลเมตาเราแผลให้ทั้งครอบครัวเลยในว่าก็ทั้งตัวป้าทั้งลุงเขยแล้วก็ทั้งลูกว่าทั้งมามีหลานเนี่ยนะแผลให้ทุกๆคน ให้ชัดเจนเนี่ยนะไปามรู้สึกไป ก, ก็มันก็มีผลในเรื่องของความรักใกล้ในหมู่ญาติในคนที่แผ่แม่ตาในหมู่ญาติบ่อยๆหมู่ญาติจะจะรักใคร่แล้วก็จะยจะให้ความเคารพยั่งยืนผมก็รอว่าผมก็ได้อานิสงส์อัน น, น, นี้กับหมู่ญาติไม่ใช่น้อย <c oughs> บางคนก็เขมเข้มอ่ะญาติบางคนแต่กับผมก็ไม่กล้าเข้มอ่ะไม่ผมก็ไม่ทร้าเพราะอะไรนะเออไม่กล้าเข้ม พอมีอะไรที่ใช้ใอยเขาบางคนเนี่ยไอกรขนายพวกลูกๆได้รุ่นหลังๆเนี่ยนะใครเขาบ่นว่าเค็มป้าก็ยังบอกเลยคนนี้อย่าไ ko <the> ปคบเพราะมันเค็มแต่ผมไปเกี่ยวข้องเขาที่จะต้องไหว้วานเขาที่ต้องให้เงินกันเนี่ยนะพอเขาทำเสร็จแล้วเขาหนีเลยเราก็ไปตามให้เขาไม่เอาหนีกลัวให้กลัวเราจะให้เอก็ดีเหมือนกันเราก็เอาชนาคนขี้เหนียวได้เหมือนกันก็ก็เกิดความ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 เขากรรมบางทีมันก็เหมือนกับกับคนเรานะที่เขาเขารักพ่อหรือเขารักแม่ผู้เป็นแม่เนี่ยนะเขาเขาลบพ่อเขาลบแม่เขาก็เลยไม่กล้ามาแตะต้องลูกหลานไอ้พวกผู้พิพาทอะไรเหมือนกันในทางเนี้ยถ้ามีใครสักคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นคนทําบุญให้เขากินอะไรอะไรเงี้ยนะลูกหลานว่าเผื่อเขาไม่กล้ามาแตะถือว่านี่มันเกี่ยวกับคนที่เขามีบุญคุณกับเขา หรือมีมีจิตเมตตากับเขาเขาก็ดแูแลใไม่แตะต้องมันมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าวาดก็เหมือนกันตัววิทยาบอคุณธรรมเจ้าวาดน้องมีนี่ถึงจะคุ้มครองคนได้เป็นพระเจ้าบผ่นดินก็เช่นเดียวกันทีนี้จากพ่ออพี่น้องของพ่อแม่แล้วไปถึงใครก็พี่น้องของเร า, าถ้าก็มีครอบครัวอะไรแ ล, ล้วก็แผลนะ อตรงนี้นะ่ะนอกเหนือไปจากว่เราจะผูกมิตรกับญาติแล้วแต่ บ, บางคนบอกว่าไม่กล้าตัวมาก็ยืมเงินเลยเลิกแฝงเลยเพราแผงละแหมมันที่ลงตรงนั้นคือต้องมีลายเขาขายที่ได้นี่ยก็เลยว่าแห่ขายที่ได้จะรวยไปเลยเป็นญาติทางหามเขาบอกขายที่ไม่ได้เขาญาติญาติก็รักอยู่แหละพอขายที่ ไ, ได้นี่่รักใหญ่แล้วมันรักเงินด้วยไอ้บางคนมันเดือดร้อนมาผมก็ยืมเงิน เลยบอกสงสัยต้องเลิกแผ่แผ่แล้วแม่แทนที่มันจะไม่เรายืมเงินมันมายืมเงินเราอล้งั้นตรงนี้นะ่ะง่ายใจทางไหมก็ต้องบอกว่าไอ้การแผ่ถ้าเราเรารู้ว่าเราควรจะทำไหมถ่าเรามีเมตตาเราก็จะต้องรู้ว่าเราควรจะสงเครากห์ใได้แก่ไหนถ้ากําลังเรามีเพราะว่าไอ้บุญลึกน้ําใจมันทาแล้วมันไม่สูนเปล่าขอให้ทําอย่างรอบกอบอย่างละเอียดกันนะทนวัดนู่นเออมันจะมาขอยืมเงินเราก็เราก็ทําหน้าที่เป็นไอ ธนาคารท่านไหนทีถามมาเป็นไงมีว่ายจะเป็นอะไรไหนลองว่ามานะแเราจะดูเ่ยคนนี้มันเคยเป็นคนดีเคยมีน้ําใจกับเราก็ลูกแล้วแล้วก็ช่วยมันมากหน่อยแล้วก็สอนให้รำมะตั้งบทตั้งเกณฑ์่าจะได้เป็นคนดีตั้งเนื้อตั้งตัวไดว้มันไม่ใช่ให้แบบสุมสี่สุมห้าเป็นเมตตาที่ไม่รองขอบมันก็ได้มีโอกาสช่วยคนให้มันมากขึ้นมันก็ดีไปไม่ต้องไปกลัว ไม่ให้ไม่ได้ก็บอกไว้ให้ไม่ได้ก็ อ, อย่างนั้นเพราะอย่างนี้ก็ว่าไปก็ไม่ต้องไปกลัวไอ <c oughs> ้บางคนเรามีเมตตาเราอาจจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เหตุผลนะหรืออาจจะตั้งข้อแม้ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก่อนก็ได้แลกเปลี่ยนกันอืม <c oughs> ถ้ากลัวจริงๆก็แผล่ให้เข้ามาแผลไม่ให้มาไปที่อื่นกนะ็ได แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเมตตาเราแห่ะเมตตาเราแค่ไหนเราก็ทําไปตามความเป็นจริงของตัวเราเพราะว่าคุณธรรมมันก็เหมือนกระทับฝิ่นที่เรามีถ้าเราจะให้เกินจริงมันไม่ได้เราก็เดือดร้อนมีพะเดือดร้อนแล้วบางคนคุณธรรมน้อยหรืออทางที่จะดูแลแก้ไขตัวเองน้อยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนใจ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 อันนี้ก็แผ่โดยลําดับหมู่ญาติท่านจะเติมรายละเอียดอื่นๆลงไปให้ยิ่งกว่านี้ก็สามารถที่จะทําได้อเทีนี้ว่าเมื่อแผ่โดยลําดับมญาติโดยลําดับหมู่ญาติแล้วอันหนึ่งก็เรียกว่าแผ่โดยลําดับทิศอทิศนี่มันมีสองแบบนะคือทิศทางกับทิศในแง่สังคมเคยได้ยินเรื่องทิศถกไหมทิศถก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 บุตรภรรยาเหมือนทิศเบื้องหลังผู้ตามสามีก็เหมือนกันเปรียบมือนทิศเบื้องหลังบังเอินท่านสอนผู้ชายก็ทิศเบื้องหน้านี่จะเอาใครมาใส่ช้างสาหน้ามาไว้ข้าหน้าไม่ได้แล้วเพราะช้างสาวหน้าคือพ่อแม่ที่ต้องเลืกถึงก่อนเป็นบุพะบุพารจาันอะไรทั้งหลายเนี่ยหมดเลยคือพ่อแม่ในชีวิตหลัง และทิศเบื้องซ้ายเบื้องกว่าคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่ทางทิศเบื้องกว่าจะเป็นครูทางโลกทางธรรมะทีนี้เราแต่ละคนเรามีครูบาอาจารย์กันคนละเยอะๆแต่ก็คงไม่ไม่มากเท่ากับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์มีศิษย์เยอะกว่าครูบาอาจารย์ของตัว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 เราก็เริ่มใส่น้อยนะก็จะแผลให้ครูคนนั้นมากแผ่ครอบครัวครูเวลาแผลไม่ตายแผลให้ครูคนนี้แหลงแล้วมันก็มีผลจริ ง, รงๆครับ <c oughs> ขนาดไม่ได้เจอกันานานแล้วนะ่ะเวลาครูเจอญาติเนี่ยจะต้องถามผมทุกถึงผมทุกครั้งเลยตั้งแต่เรียนจบป .4 มาจนบัดนี้ผมก็ยังไม่ไปเจอครูแต่ถามถึงทุกครั้งเลยเจอญาติก็จะต้องถามเนี่ยครูเห็นถามถึง โูรเห็นทถึงทุกคนไปที่เจอผมก็เชื่อใน่องที่ถกในผู้มีบุญคุณบังเอิญมีบุญคุณในฐานะอะไรก็ใส่ไว้ทางดินั้นได้มีบุญคุณในฐานาะที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยนะฮะมีบุญคุณประดุจพ่อประดุจแม่หรือผู้บวชก็อุปชาจาร์อุปชาถือว่าเป็นพ่อในทางการบวชของตัว หรือว่าแม้แต่บางคนมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้ได้บรรลุธรรมชั้นสูงเขาก็อุยกไว้ในฐานะที่เป็นพ่อนะครับเหมือนอย่างพระหรือ อ, อผู้ได้ธรรมะชสูงๆเนี่ยเขาจะนึกถึงลิปลาลบถึงอาจารย์เหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเข า, าคนนี้เหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาเวลาแผ่บุญให้พ่อแม่แล้วเขาจะแผ่ให้กับคนนี้ก่อน คู่กันมาเลยอย่างเช่นท่านโกเอนก้าเนี่ยนะท่านก็จะเป็นแขกแต่ว่าได้อาจารย์เป็นชาวพมาาคือท่านอุบากินไปไหนก็จะติดรูมไปเอะขึ้นบนบงก็เป็นอย่างนั้นในห้องรับแขกก็มีรูปท่านอูบากินติดแล้วก็ปลาพูดในถาถึงในฐานะที่เป็นพ่อของท่านที่ทําให้ท่านได้ชีวิตใหม่ในธรรมานี้ถ้าเป็นพระสาย ท่านอาจารย์มั่นอก็นับถืออาจารย์มั่นเหมือนเป็นอ่อในทางธรรมะเวลาแผ่บุญแผ่แล้วก็จะแผ่ให้อย่างนี้นี่เราถ้าคนไหนมีบุญคุณในซีกอาจารย์นะะเหมือนเป็นอาจารย์ทาารย์บางด้านนี้นะะเช่นจะอะส่งให้เราเรียนหรือซื้อตำราตำราอะไรให้ก็แล้วแต่นั่นนะครับเราก็แผ่ให้ท <c oughs> างนี้อทีนี้ ก็มีคนมาถามอ่าถ้าคนยังไม่มีภรรยามีแต่แฟนทำไงหรือยังไม่มีแฟนเอาทำไงลองกันหนอความคิดหน่อยที่ทำงไงางานอะไรอย่า ง, งา อ, อยงา ง, า ง, งคิดไม่ก่อปกคิด มีคู่รักก็แผลให้คู่รักสงเคราะห์เอาหรือคนที่ยังไม่มีแต่ว่าคนที่ควรจะเป็นลึก อ, อาจจะเคยเป็นอะไรมาแต่ปางก่อนนะเราก็แผลสงเคราะห์อาเรื่อมาแผลให้ครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในคิดเบื้องหลังเออแล้ว ท, ทั้งทิดเบืออเบ้องขวาให้พ้ดดูไฟล่ะเพื่อนอยาติมิต อยู่ทางทิศเบื้องขายเพื่อนผูงญาติมิตรอยู่ตรงนี้หมดทางทิศเบื้องล่างฮะบาใข้หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่เราเป็นวหน้าเนี่ยก็ถือั่าเรานม้อยู่ในทิศเบื้องล่างอาจจะแหมเราคงพูดกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างในฐานะเบื้องล่างเนี่ยแหมไม่ค่อนข้างจะไม่ให้เกียดนะ แต่ว่าจริงๆก็อันก็ตรงก็โดยอาการเปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นในคิศเบื้องบนสมณะสีพรามคือคนที่เราเคารพสูงสุดเคารพในฐานะเป็นสถานะยังแพร่พระพุทธเจ้าเนี่นะก็เป็นสมณะสีพราหม์หรือแผร่ให้กับประสงค์องค์พระเจ้าที่เราเคารพนับถือก็อยู่ในคิดเบื้องบน อันนี้ก็เป็นการแผ่โดยทิศที่เกี่ยวกับสภาพชีวิตหรือสภาพสังคมของแต่ละคนแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการแผ่ในทิศที่เป็นเทศใะ่ไหว่าแผ่ในทิศก็ทิศทั้งหกเนี่ยทิศคือทิศทั้งหกก็มีทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกอันนั้นก็เลยกทิศโดยเทะหรือเอาจะเอาทิศโดยเทศที่เอาทิศข้างหน้า แต่ว่าไม่ใช่ในแง่ของนั้นผมเรานั่งหันหน้าไปทางไหนก็แฝงเป็นทิศเบื้องหน้าก็ได้ทิศเบื้องเบื้องหน้าทิศเบื้องเขียงแล้วก็ส่งเมตตาจิตไปในลักษณะที่ใครที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าอันนี้เป็นการแผงโดยไม่ไม่ระบุตัวบุคคลชัดเจนเรานั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยใครที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าเริ่มตั้งแต่ตัวเราเป็นผู้นั่งอยู่ตรงกลางเราก็แผงให้กับตัวเราเองก่อน อธิษฐานให้กระตัวเราเองก่อนทําความปรารถนาให้พรในกระตัวเราเองก่อนให้จิตใจเราเป็นสุขให้จิตใจเราสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้เข้าใจความต้องการขคนอื่นได้แล้วก็เลื่อนจิตไปยังทิศเบื้องหนะ้าตั้งแต่ใกล้ๆหน้าตักเราไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงไกลโพ้นไม่มีที่สิ้นสุดว่ามีเหล่าสัตที่ถือําเนิด อยู่ในสติใดก็ตามอยู่ในเพศใดก็ตามเป็นใครอย่างไรก็ตามที่อยู่ในพิเบื้องหน้าเนี่ยกระแสจิตเราเคลื่อนไปถึงตรงไหนในพิเบื้องหน้าขอให้ศัตว์ที่อยู่ในอนาบริเวณนั้นตรงจุดนั้นตำแหน่งนั้นจะเป็นใครมากน้อยแค่ไหนก็ตามจงได้รับเมตตาจิตของเราทรงได้รับความปรารถนาดีของจากเรา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 รู้สึกว่ามันเป็นเปลีป่ยน ไ, ได้วยความปราถนาดีก็ส่งไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าขาดเจตจำนงขาดความปราถนาที่ชัดเจนในใจเราก็เติมพร ล, ลงไปว่าขอให้เขาได้อย่างนี้ขอให้ได้อย่างนี้เพราะถ้าแผ้ไปเฉยๆแต่ความรู้สึกในาบางทีเจตจำนงในใจมันหายคืพอพรหายเหลือแต่ความเคลื่อนไปของจิตต้องคอยเติมพรเข้าไปเรื่อยเป็นระยะระยะ ให้พอเหมาะพอดีกับความเคลื่อนไปของจิตให้เรารู้ว่าจิตเราเคลื่อนไปอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ได้ความปรารถนาดีอย่างมีความชัดเจนอยู่ในสานึกเป็นอันใช้ได้ อ, อย่างนี้เราเราก็แผ่อย่างนี้นีถ้าคอแผ่แผ่ไปทางคิดเบื้องหลังคิดเบื้องเคียงนี่ก็เหมือนกันแล้วก็แผ่ไป็ิดโดยรอบคือเริ่มจากตัวเราแล้วก็ส่งจิตไปโดยรอบโดยรอบรอบรอบรอบ ถ้ายังง่ายก็คือเพียงแต่ให้เรารู้ว่าจิตเราความคิดเราได้เหมือนเคลื่อนที่ไปส่งไปโดยรอบทีนี้ไอ้ตรงนี้เวลาที่เราจะเอาไปแผ่แบบใช้พลังเราก็จะเลือกหยิบเลยว่าเมื่อไหร่เราจะแผ่แบบไห น, นคือเป็นการติกแปลงได้โดยไม่ต้องติดรูปแบบแต่แต่สร้างพลังตั้งแต่อาศัยรูปแบบาาแบบเพื่อให้จิตมันมีขอบเขต มีทิศทางของการแผ่สมมว่าเราจะเดินฝ่าที่รุกเข้าไปที่ใดที่หนึ่งในเวลาค่าคืนอย่างที่ผมกยกตัวอย่างว่าเวลาผมเข้าบ้านตอนคคืนดึกๆแล้วก็ยามขึ้นต้กสูงใีที่ตะล่งกันเนี่ยแล้วมันเป็นดงงูห่แล้วเรา ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราก็ใช้จนเป็นนิสัยว่าเมื่อเราจะเดินเข้าไปเลย ก, ก่อนจะข้ามสะพานเข้าไปสู่ทางเข้าจะต้องยืนสงบผิดส่งเมตตาไปอย่างทิศเบื้อง น, นั้นเห็นภาพทางที่เรากำลังจะเดินไปตรงนั้นตรงไหนแล้วเราก็จะแผ่ให้กับ ตรนนี้เราไม่แผ่ให้อยแน่ไม่แผ่ให้กับเจ้าบุญในคุณอะไรเป็นหลักอะแผ่ให้กับเข้ากรรในเวรเหมือนพระ้าการในเวรนะมีดานาเป็นงนให้กับพวกงูสัตร้ายที่อาจจะซุ่มอยู่ตามโพงยากนึกถึงภาพเขาเหล่านั้นแล้วก็แผ่ให้ยกมือให้เมตตาสะท้อนไปจากฝ่ามือเราแล้วก็ แผ่เมตตาไปที่ฝาา่าเท้าว่าเท้าเราเนี่ยที่เหยียบย่างไปเนี่ยเหยียบย่างไปด้วยพลังเมตตาขออย่าไปเหยียบเท้าเราก็อย่าได้ไปเหยียบสัตว์ตายเอเท้าเราแล้วก็ถ้าจะไปเหยียบองค์หางงองค์หางโงบ้างก็จะได้ถือสาไม่ได้เหยียบไปเจตนาบหรืออะไรย่างเงเราก็เดินไปแล้วก็แผ่บางทีกั้นใจไนงะหลับตาเดินแผน่ มันก็คือพอแฝงใจมันเกิดความมั่นใจธรรมะนี่ก็แปลกดีนะมันก็เหมือนประมาทนะแต่ว่านี่เราก็บอกเราไม่ได้ประมาทแบบเราใช้วิธีการแสดงความไม่ประมาทโดยธรรมะไม่ใช้อาวุธเป็นเครื่องแสดงความไม่ประมาทมันก็ไม่เกิดอันตรายเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินออกมาตอนเที่ยงเที่ยงพอดีนี่ย มันมีงูตัวหนึ่งมันมาพาดทางอย่างเงี้ยมันมาพาดไอ้ทางเดินงูอะไรผมก็ไม่รู้มันอ้าปากบอกเงี้ยเรามีเมตตาก็จริงแต่เราก็ไม่กล้าข้ามคันดิจะเป็นการดูถูก <c oughs> <c oughs> ไม่กลับ <c oughs> แก้ตัวแบบน่าคุณคุณอือเราก็ ถ้าเป็นคนอื่นตีนตายไปแล้วผมก็ไม่กล้าสมัยมาอาบปากใครเป็นใครเรียนดังทางเรื่องตัดมาบ้างมาอา้าบปากมาอา้าเงี้ยเหมือนเจระเข้ไอเราเห็นเขาเราก็นึกถึงเรื่องเวทสันดอนยาดกตอนที่มีเสือลายฟาดจอนมาขวางทางที่นางมัสีจะหาผลไม้ลามาาม้จะกลับไปที่อาสมนะันอันนั้นเขาก็มีแผนไอนี้เราก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้วมีอะไรเลย เอ้ถ้าทำไงดีผมก็ไปหยิบไอ้กิ่งไม้อันหนึง่งไม่ได้มาตีมาทำท่าขย่าขย่าขย่าเอะเขาก็เชือเยื่งนันแะก็เลยไอ้จะ ก, กระโดดข้ามไปก็น่าเกลียดนะน่าเกลียดเราอย่างเราทำงั้นได้ไงก็เลยต้องนั่งจุ่มปุ๊กเสียเสียเวลาเจ้านาน ก็นั่งบอกอันกระฝายเออไปเถอะก็นั่งอยู่ไำไมเนี่ยดีนะ ท, ที่ฉันเห็นแต่เวลาผมพูดภาษาของดีนะที่ใครเห็นใช้ภาษานักเลงนะดีนะที่ใครเห็นก็อื่เห็นเองตายแน่เองตายแน่ไปไปเทศ น, นะจะรีบไปจะรีบไปทาาํางานสัปปะเขาค่อยๆเบนหัวกลับและเรื่อยหายไปเราก็ไปได้ ไม่รู้งูอะไรเพราะไม่ไม่รู้จักอ่าอันนั้นเป็นเรื่องเอ่อเป็นเรื่องแผ่โดยพิษอ่าให้ท่านรับทราบไว้เพราะว่าอีกหน่อยเวลาเราใช้พลังเราจะได้ลวดใจว่าตอนไหนจะแผ่โดยอะไรเวลาไปแก้ปัญหาได้ ไ, ไปทำอะไต่างๆเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่ง คือการแผ่โดยจำแนกการแผ่โดยจำแนกอันนี้ในวิสุธติมักพูดไว้โดยจำแนกคือจำแนกเป็นคร่าวๆเช่นถ้าแผ่ไปว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมด แผ่แบบนี้เนี่ยลราอาจจะไปแผลคลุก ก, การแผลทิศแผ่อะไรก็ได้แต่ว่าในวิธีที่มักตั้งบอกให้นั่งนึกถึงไม่ต้องเคลื่อนจิตไปนึกถึงว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดบุรุษทั้งหมดอิตีทั้งหมดเนี่ยจงได้รับเมตตาจากข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอจะได้มีเวรเพื่อละกันเลยคือจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้แผลอย่างเป็นสาระทางความรู้สึกถึงจะมีบาลังเอาสาระในความรู้สึกออก และเมื่อแผ่ว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยเราก็นึกถึงสภาพเพศชายเพศหญิงถ้าเราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอาจจะําแนกแน่เป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยพอจะเมื่าไปอยู่ในที่ประชุมอยู่ในที่ทางานก็นึกถึงอย่างนี้ได้แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายในที่อื่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้ไม่ใช่มนุษย์แผ่ไปให้ผู้ที่เป็นนักบุญคือบรรพชิต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 ลักษณะการจำแนกได้เป็นอีกหลายหลอย่างไม่จํากัดเช่นว่าผู้ที่เป็นญาติกับเราผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติกับเราผู้ที่รู้จักผู้ที่ไม่รู้จักอีกแพลได้หรือว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเราผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเรา ผู้ที่มีเชื่อชาติเดียวกับเราเชื่อชาติสันชาติเดียวกับเราผู้ที่มิได้มีเชื่อชาติมิได้มีสันชาติเดียวกับเราออย่างนี้เป็นต้นนะครับแผ่ไปได้หมดแต่ก็ไม่ต้องคํานึงว่าจะต้องจําแนกโดยพิจารณาหมดแต่นี้ถ้าจะทําอย่างนี้อย่างเป็นกิจจลักษณะคือเป็นเครื่องชัมโบ้คอนจันโมโบ้เนี่ยแล้วถ้าทําบ่อยๆกนก็มีทางพิจารณา จำแนกแฝ่ผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็แผ่ได้คนที่เป็นคนดีคนที่เป็นคนไม่ดีได้ทั้งนั้นเลยครับให้เติมเติมเข้าไปนั่นก็เป็นอีกในหนึ่งของการแผงทีนี้อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแฝ่โดยโดย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 บางทีไอเราเกลียดเขาเขาเกลียดเราเนี่ยตัวดีไอเราเกลียดเขาก็กระยิบยัวหน่อยนะหลุดเป็ความดีเขาก็พอได้ไอเขาเกลียดเราก็อาจจะยากกว่าเพระรู้เขาเกลียดแล้วเราก็อดจะเกลียดไม่ได้หรือไม่เกลียดก็จะอวยชัยให้พรก็ลําบากดังนั้วิธีที่แผลให้กคนที่เกลียดเราหรือเกลียดกันเนี่ยบางทีต้องรู้จักจุดตั้งต้น อะไรจะไปตั้งตนโอ้ขอให้เขาในจงร่ารวยร่ํารวยขอให้เขาได้สองขัน้นเราไม่เป็นไรมันก็แผ่ไม่ออกนะจุดที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมมักจะใช้วิธีการให้สิ่งที่เป็นจริยธรรมนะฮวกขอให้เขาเนี่ยได้สํานึกที่เป็นจริยธรรมนะสำนึกที่เป็นจริยธนะรรมเช่นเขากระตันยูเขาอากระตันยูเมื่ออากรตันยูต่อเรา เลยเป็นที่เกิดกันเป็นต้นเหตุการเกิดกันก็ให้เขาเกิดความกระทันหูนยได้เข้าใจสิ่งนี้ได้เกิดความกระทันหูนยแล้วขอให้ความที่เขาได้สำเร็จได้ากาะตันหูยเนี่ยหรือได้เกิดเมตตาต่ อ, อกันเมตตาต่อเราได้เข้าใจเรายัางถูกต้อง<ม>ขอให้อานิสง์ของสิ่งนี้จงทําให้เขาได้รับความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนั้น ต, ต่อไปก็เมตตาก็จะอาศัยเกิดได้ตรงจุดนี้เพราะว่าคนที่เกิดเราเราเนี่ย และเสียกันเนี่ยเราก็อยากมันจะมีจุดที่เราไม่อยากให้เขาเป็นที่มันใกล้กับผลประโยชน์ของเรานะครับตรงนั้นก็เมตาจะเกิดได้ผมพูดไปพูดมาถ้าเกิกระทั่งว่าจะลืมไปว่าเราต้องฝึกเะ็นนั้นว่ผมสรุปเป็นข้อตรงนี้ก่อนนะแล้วจะฝึกในเวลาที่เหลืออยู่คืออที่พูดถึงและจะฝึกในวันนี้คือ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 หรือความรู้สึกต่อกจากกนในสังคมเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เราได้อย่างอื่นประสบความสําเร็จอย่างอื่นทีนีน้การที่จากแผ่เมตตาให้เกิดพลังเนี่ยจะต้องจิตสงบนะจิตจะต้องสงบจะเกิดพลังแล้วก็สงบแล้วต้องมีความสุขในข้อความสงบนะเมตตาจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก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 ถ้าตัวเราเองยังหงดหินตรงหินยังฝุ่นฝนอยู่นะฮะยังกระตับกระสายอยู่อย่าแผลเพราะว่าไอ้สิ่งนี้จะติดไปถึงคนแผลอันนี้เป็นที่รู้กันเลยนะแล้วเป็นอย่างนั้นด้วยครับต้องชำระตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นบางแข่งเนี่ยเขาถึงว่าต้องฝึกจิตให้ได้ที่ถึงจะระแตะเมตาได้อย่าไปไปแผลตอนที่เราไม่พร้อมความกระตับกระสายมันจะไปถึงคนนั้นแต่ถ้าเป็นการฝึกสร้างพลังเนี่ย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 จะแผ่ให้ใครเนี่ยเราเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแลวเขาต้องอมีความจะเป็นอะไรเนี่ยนะจะเป็นเป็นประโยชน์แกการส่งพลังให้มากาแล้วก็ส่งให้เขาบดยความรับตัวนั้นเนี่ยสมมติว่าเร า, เ อ, าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีมีคนหนึงเขา ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาฟังธรรมะเลยานานมากตั้งครึ่งปีป yeah. กติเขาเข า, เขาจะมานะฮะแล้วก็เราก็รักใคร่กันคนะือหมายถึงที่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็อยู่ๆวันวันเมื่อวานเขาก็มามาแล้วก็ผมก็เห็นเออเขาสองคนคดีเพราะผมรู้ว่าที่เขาไม่มามีปัญหา ปัญหาระหว่างในครอบครัวเขาไม่ไม่ได้เขาพูดไงก็ทะเลากเขไม่พูดกันมานานอยู่ผ่านนี้ครั้ทงที่ขับรถแท็กซี่มาแท็กซี่เยอรมันโดยจากแท็กซี่เยอรมันแแสบๆไม่มีกวามสุขแท็กซี่เยอรมันเราไปเลยแดดนะเรารู้เราเห็นล่กสุดเขาโมโหเมื่อวานนี้เขออารับมาสารอย่าไปส่งไปที่ไหนอยจะไปได้ดังวัน เห็นเขาคุยกันดีแลผมก็รู้ว่าผมเนี่ยไปเข้ายี่สิบวันเนี่ยผมแผลไม่ตายเขามากด้วยความรักใคร่ขขก็ขอให้เขาเข้าใจกันขอให้เขาอไม่มีปัญหานะไม่ได้ถามแต่เช่ว่าเขาคงจะดีขึ้นแล้วเขาก็มูสามาโกเรงกุจอบริกาเนี่ยก็ฆ่าคงจะฆ่าตอบแทนโดยไม่รู้ตัวที่เราแผลจิตให้เขาแผลไม่ตายเขาคมขึ้นกัน ให้เขารู้เรื่องกันให้เขาคูยคุยกันเนี่ยถ้าเขาฟังเทปตัวนี้เขาต้องรู้เลยว่าหมายถึงขง่าเอาก็รู้ก็รู้ไป <c oughs> อันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่คือไอเราว่าเราเองก็เราไม่ไม่ได้จําเป็นเลยเรื่องนี้ว่าเราไม่ได้ไปทะเลาะกับคนในบ้านเหล่าเนี้ยนะ ม, มีปัญหาก็เรก็ไม่ไม่จําเป็นแต่รเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาแต่พอเรารู้เนี่ยเราก็เข้าใจเราก็แผลนั้นมันทั้งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะได้ความสําเร็จแบบนั้งว่าเราไม่มีปัญหาแต่มันเรื่องของเขาเราปรารถนาดีเขาเราก็อยากให้เขาพลบปัญหานี่คือเริ่มจากสิ่งที่เขาต้องการจากปัญหาของเขาจากความต้องการของเขาอีกอันหนึ่งคือเลอเป็นความต้องการของเรา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 คนแข่เมตตาชั่วการเดี๋ยวเดี่ยวนี้ถ้าเป็นเมตตาที่สมบูรณ์พอสมควรหรือสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมนุษย์หรืออามนุษย์ทำลายไม่ได้บุคคลใดจะทำลายบุคคลผู้ที่มีเมตตาจริงๆชั่วการทุ่เดียวนี้ย่อมถึงความลำบากเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังจะหักด้ามมีด หักดาบที่มีความคมอยู่สองด้านด้วยฝ่ามือเปล่าๆย่อมอถึงความเหนื่อยยากถึงความลำบากดังนั้นเมื่อเราสงบจิตนิ่งแล้วก็ทำจิตให้เมตตาเราเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเวงกัะใจในขณะจิตอย่างนี้เป็นคนที่ผู้คนควรจะต้องรัก แม้ว่าจะเป็นชั่วครูเดียวก็ตาเป็นบุญสูงอย่างหนึ่งเป็นเมตตามนโนกรรมที่เป็นมนโนกรรมสําเร็จด้วยจิตตภาวนาเป็นภาวนาใหม่ชนสูงเมืม่อห<ม>ลับตาแล้วขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองให้พรแก่ตัวท่านเองอาคีฐานปัดเปล่า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 จงพ้นจากภัยที่บัตรข้อขัดข้องในเรื่องนี้ในสิ่งนี้ถ้าข้าพเจ้าได้กระทำผิดด้วยความประมาทด้วยความโง่หลงในขณะนั้นซึ่งบัตรนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าขอเอาโหสิต่อผู้นั้น ที่ข้าพเจ้าได้กระทําต่อเขาโดยตรงหรือโดย อ, อ้อมหรือผู้ที่ได้รับผลเสียหายสืบเนื่องสืบต่อกันไปแม่เหล่าข้าพเจ้าขออโหสิและขออย่าได้เป็นเวรแก่ข้าพเจ้าด้วยอันหน้าทางการมสำนึก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 สังคมหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางความคิดคิดใจหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอื่นอื่นที่พระพเจ้ารู้อยู่ลำลึกถึงอยู่ลาลกอยู่เป็นเรื่องสำคัญขอให้พ้นจากปัญหานี้โดยเร็ว หากยังไม่พ้นไปโดยเร็วก็ขอให้ทุกเราเบาบางไปหากยังไม่ทุเราเบาบางไปก็ขอให้ข้าพเจ้าแน่นชื่นยอมรับพลสภาพอยู่เหนือความบิบคั้นของปัญหาเหล่านั้นได้ในบัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากปัญหานั้นโดยเร็วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพยาดาทั้งหลายผู้มีอุปการะเพื่อกูลข้าพเจ้ามาแต่อดีตจงช่วยบำบัดปัดเป่าส่งเสริมข้าพเจ้าให้มีพลังพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ ขอให้ความทุกข์ความเดือดร้อนจงพ้นไปจากสรีละของข้าพเจ้าตั้งแต่ศีษรษะจะหลดปลายเทา้าสูญสลายหายไปโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดขอให้นึกถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาจะได้จะสำเร็จ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 วยตัวท่านเองโดยอาศัยพลังบุญอาศัยกำลังสมาธิจิตกำลังเมตตาจิตที่ท่านกำลังแผ่ด้วยความปรารถนาดีต่อตัวกนเองให้ได้สำเร็จสิ่งนั้นโดยชอบทำได้สำเร็จสิ่งนี้โดยเร็วโดยสมบูรณ์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 ท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นโดยในของการลำดับโดยทิคือผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าของข้าพเจ้าได้แก่ดิดามารดามารดาของข้าพเจ้าผู้มีหน้าตาอย่างนี้ มีบุคลิกลักษณะอย่างนี้อยู่ที่นั่นที่นี้มีปกติชีวิตอย่างนี้มีปัญหาชีวิตอย่างนี้มีความต้องการเร่งด่วนอย่างนี้และเป็นผู้ที่ควรเป็นอย่างนี้ควรได้อย่างนี้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 ที่ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ท่านก็รู้อยู่แม่คนอื่นก็รู้อยู่ขอให้ท่านจงพ้นจากความพุกความเดือดร้อนอันนี้ให้พ้นโดยเร็วเถิดให้พ้นโดยสิ้นเชิง ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้อย่างยั่งยืนเถิดแม้ปัญหาข้อขัดข้ออันที่ข้าพเจ้าเห็นอันที่หมูบันดิตเห็นก็ขอให้ท่านจงได้รู้ถึง ปัญหาข้อวิบัติขัดข้องอันนั้นและรังเกียจปราถนาพยายามกระทำให้พ้นจากชีวิตจิตใจของท่านขอให้ท่านจงพ้นจากข้อวิบัติขัดข้องอันนั้นจงพ้นัดหลุดไปจากชีวิตท่านชีวิตท่านก็หลุดไปจากปัญหานั้น แขอแผ่ความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกที่แท้จริงด้วยความปรารถนาดีที่แท้จริงความต้องการความสําเร็จความผาสุขในชีวิตจิตใจของท่านที่ท่านปรารถนาแสวงหา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 สาเร็จควรแสวงหาขอให้ท่านมองเห็นให้ท่านจำานงหวังปรารถนาในสิ่งนี้ขอให้ท่านได้สิ่งนี้ประสบความสาเร็จในสิ่งนี้ด้วยจงสาเร็จโดยรวดเร็วจงสาเร็จโดยครบถว้วน สำเร็จอย่างยั่งยืนเถิดแม้บิดาของขาาา้าพเจ้าผู้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ทำนักอยู่ที่นั่นที่นี่มีชื่อและนามสกุลอย่างนี้ มีปัญหาชีวิตจิตใจความทุกข์ความเดือดร้อนโดยประการนี้คือขอให้ความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ที่เป็นอย่างสำคัญที่สุดเร่งด่วนที่สุดอย่างหนึ่งหรือสองอย่าง หรือสามอย่างก็ตามขอให้ท่านผู้เป็นบุคภการีของข้าพเจ้านี้รงได้รับพลังเมตตาได้รับส่วนกุศลของข้าพเจ้าและด้วยอำนาจความดีของตัวท่านเอง อำนาจกุศลไม่บากของท่านประกอบกันขอให้ภัยทิบัตรนี้จงทุเลาเบาบางตั้งแต่ขอให้ท่านมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นมีความกระจับกระเฉงแช่มชื่นเห็นทางออกทนได้รอได้กับความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะพึงหายไปแม้จะโดยเร็วหรือโดยช้าก็ตาม ภาวะทางศิษอันดีจงสำเร็จแก่ท่านเป็นนิจขอให้อุปสรรคข้อขัดข้องเช่นท่าป่วยก็ขอให้ขวัญและกำลังใจสติสัมปชัญญะมั่นคงอยู่ไม่ถูกโรคาพาทย่ำดีจิตใจ นั้นเป็นสิ่งที่ข้พาพเจ้าขอแผ่ขออธิษฐานให้ท่านได้เป็นข้อที่หนึ่งหากท่านได้รับทุกขเวทนาเพราะความเจ็บป่วยก็ขอให้ทุกขเวทนาของท่านเป็นสิ่งที่ท่านอดกลั้นได้เหมือนไม่ได้ป่วยเอง ขอให้ทุกขเวทนาทุเราเบาบางและทุกขเวทนาจงหายไปจงระงับไปแม้ว่าโรคยังอยู่บาดแขยังอยู่ขอให้บาดแผของท่านจงหายไปด้วย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 หากท่านมีปัญหาอย่างอื่นขอให้แผ่เมตตาด้ดยปลารกปัญหาเร่งด่วนนั้นขึ้นมาแผ่อย่างละเอียดถี่ถ้วนเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเต็มไปด้วยความสงบนิ่งเต็มไปด้วยความไม่รไม่ยึดถือ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 บิดามารดาของข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงมารดาเลี้ยงหรือผู้ที่มีคุณประหนึง่งบิดามารดาหรือเป็นอุปชาอาจารย์หรือบิดามารดาในภพ ก, ก่อนชาติก่อนขอยไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด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 หรือเคราะห์กรรมอุปสรรคข้อขอัดข้องโลกธรรมป่ายวิบัติที่ท่านรู้อยู่ทราบอยู่ขอให้ท่านเมื่ออนุโมทนารับทราบกุศลกิจของข้าพเจ้าเมตตาของข้าพเจ้าที่แผ่ให้ ขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเถิดทรงพ้นจากความวิบัติขัดข้องนั้นเถิดขอให้แผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่อยู่ ในทิศเบื้องบนคือปูชนียบุคคลสมณะชีพลาที่น่าเลื่อมใสเป็นที่เลื่มใสของท่านมีพระพุทธพระเจ้าพระธรรมแม้ไม่มีตัวตนพระอริยสงฆ์ในอดีตทั้งหมดและพระหรือปูชนียบุคคล ที่ท่านเคารพนับถือจะเป็นผู้มีชีวิตยอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามให้ระลึกถึงลำดับรายละเอียดให้มากเท่าที่ท่านมีมีเวลามากก็ให้แผ่ให้ละเอียดโดยไม่ต้องคำนึงถึง เวลาว่าจะต้องแผ่ให้กับคนนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านั้นเท่านี้ขอให้ความรู้สึกออกไปตามข้อมูลความรับรู้รับทราบและความปรารถนาจากให้ของท่านเป็นสำคัญผู้ที่อยู่ในคิดเบื้องบนนั้นแม้แต่พระราชาผู้ทรงธรรม ก็ทรงเคาะอยู่ในคิดเบื้องบนการแผ่เมตตาให้กับผู้มีคุณสูงมีธรรมะสูงจะมีผลสะท้อนกลับแรงเช่นเดียวกับบุคคลผู้ไปด่าว่ากล่าวร้ายลักขโมยช่อโกง เอาลัดเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนกายใจแก่ผู้ที่มีคุณสูงย่อมมีผลสะท้อนกลับในทางบาปมากเช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนดีจึงเหมือนเป็นการปลุกเสกตัวเองในลูกหนึ่งเหมือนกัน เราทำตัวเองให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้ที่มีบุญวาสนามากย่อมมีอานิสงส์ตอบกลับมากข้อนี้ให้ลาลบด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีใช่ด้วยความละโมบลาลบเพื่อให้เราไม่ดูเบากับการแผ่เมตตาจิตปลาลบให้จิตใจของเรา กระตือรอ้นกระฉับกระเฉงและจริงใจแต่หนึ่งว่าความเรากำลังพูดให้เขาฟังกับหูสําแดงให้เขาเห็นกับตาอยู่ฉะนั้นทีเดียวแชรไปถึง <c oughs> บุคคลที่อยู่ทางทิศ <c oughs> เบื้องอื่นที่เหลือ <c oughs> ก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านแผ่ด้วยตัวของท่านเองท่านอาจจะแผ่โดยนัยยะประการอื่นๆ อ, อีกก็ได้ในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านได้แผ่ส่วนกุศลให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เพื่อ สำแดงความเคารพบูชาสำแดงความนับถือสำแดงความขอบคุณเป็นส่วนหนึ่งบุคคลหรือสัตว์เหล่าใดที่อยู่ณบริเวณนี้จะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์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 เป็นผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยกว่าข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่ข้าพเจ้าพึงเกื้อกูลหรือได้เกื้อกูลมาข้าพเจ้าขอแผ่บุญแผ่เมตตาจิตแก่ท่านสำแดงน้ำใจแก่ท่านขอให้บุญและเมตตาจิตของข้าพเจ้าจงได้แก่ท่าน ที่อยู่ณบริเวณนี้และอยู่นอกบริเวณนี้ขยายออกไปจนทั่วทั้งโลกทั่วไปทั้งโลกทุกพบทุกผูกกกก้จงอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าอุทิศให้ด้วยเมตตาภาวนานี้ขอให้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 ประโยชน์ทั้งในพบนี้พบหน้าประโยชน์สูงสุดจงได้แก่ท่านสำเร็จแก่ท่านโดยทั่วไปทั้งหมดเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเมื่อออกจากสมาธิจิตเดินทางกลับไปสู่เคหสถานบ้านเรือนจงเดินทางกลับด้วยความปลอดภยัยด้วยความแข่นขื่น ด้วยฐานะที่เป็นกิตตารมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องพบเห็นแก่ทุกคนในครอบครัวแก่ทั้งเทวดาและมนุษย์เถิดอีทางเมยาตินังโหตุสุขิชาโหนตุยาตะโยขอผิดประชุมสหบับวันนี้เพียงเท่านี้